ส่วนใหญ่คนที่ถือศีลได้สะอาดจะอยู่เหนือดวงเวลากรรมเก่าจะให้ผลอย่างไรก็ต้องเป็นไปนตามที่ถูกวางพล็อตไว้แต่กรรมที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในชีวิตปัจจุบันจะเป็นตัวชี้ขาดว่าของเก่าจะให้ผลมากหรือว่าน้อยตัวอย่างเช่นคนบางคนแค่เปลี่ยนวิธีพูดจากเดิมพูดแบบไม่มั่นใจ กลายเป็นพูดแบบมีความมั่นใจขึ้นมาชีวิตก็ต่างออกไปกลายเป็นคนดังกรรมเก่าเดือนนี้ปีนี้กำลังจะดังอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยไม่มีกรรมใหม่ที่ไปฝึกพูดยังคงพูดไม่เก่งดวงเดิมอาจจะส่งเสริมให้ดังขึ้นมาได้แต่ไม่ดังเท่าการที่พูดเก่งขึ้นอีกตัวอย่างหนึ่งพระเจ้าอาชาศัตรูได้ขึ้นเป็นกษัตริย์ จากการฆ่าพ่อตัวเองมาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้ามีจิตที่เบิกบานเข้าใจธรรมะกระจ่างพระพุทธเจ้าตรัสกับเหล่าภิกษุว่าถ้าพระเจ้าอาชาศัตรูไม่ทาปิตุฆาเสก่อนจะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันต่อหน้าพระองค์ทีเดียวของเดิมทุนเดิมมีมากพอที่จะได้เป็นอริยบุคคลแต่ไปคบคนไม่ดีเป็นนับถือพระเทวทัตหลงผิดไปด้วยกัน แทนที่บุญเก่าจะให้ผลได้เป็นพระโสดาบันกลายไปเป็นว่าต้องลงในรกก่อนกรรมเก่าขีดจัตาวิชเจนแน่นอนแต่ไม่ใช่ว่าจะแก้ไม่ได้ด้วยกรรมใหม่โอราจาร์บางท่านจะสอนลูกศิษย์ว่าถ้าลูกศิษย์มีศีลมีธรรมถือศีลได้บริสุทธิ์อย่าไปทายอะไรไม่ดีเพราะว่าคนที่ถือศีลสะอาดบริสุทธิ์ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อยู่เหนือดวง เพราะฉะนั้นถ้าถือศีลได้บริสุทธิ์ในชาติปัจจุบันจะเป็นกรรมใหม่ในแบบที่ทําให้สิ่งเลวร้ายไล่ล่าเราไม่ทันหรือมาทันแต่ไม่สามารถทําอะไรได้ถนัดทนันีแต่ประเด็นก็คือเราไม่สามารถรู้ได้ว่าต้นเหตุคือกรรมที่กําลังจะให้ผลนั้นเรทําไว้แบบหนักแน่นยาวนานหรือว่าทําไว้แบบแป๊ บ, ปบ ถ้าทำกรรมอะไรอย่างหนึ่งไว้ทั้งชาติเลยเช่นเป็นเพชฌฆาตฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทั้งชาติจะให้ผลกับพื้นดวงเลยเป็นคนที่สุขภาพอ่อนแออายุสัน้นเป็นคนมีโรคมากฉะ น, นั้นด้วยการฆ่าสัตว์มาทั้งชีวิตแค่ปล่อยปลาสองสร้อยตัวแล้วอธิษฐานขอให้กรรมนี้จงละลายหายไปก็เหมือนเอาไม้ซีไปงัดไม้สูงกรรมคือเจตนา เจตนาคือกรรมถ้าจะแก้ก็ต้องแก้กันด้วยกรรมอันเป็นตรงข้ามเท่านั้นการแก้กรรมที่ถูกต้องก็คือเหลงเข้ามานิสัยเสียอะไรที่มีอยู่ขอให้มีแก่ใจที่จะทำให้มันเปลี่ยนแปลงนั่นหละที่เรียกว่าการแก้กรรมนั่นหละต้นเหตุกรรมที่ชัดเจนว่าจะทำให้เราทะลุเพดานจํากัดได้นะครับ